เป็นวันไหนท่านก็กําหนดวันออกมาอย่างพี่น้องชาวอีสานเหนือของพวกเราก็กําหนดออกมาว่าวันข้าวประดับดินก็คือวันเดือนดับและก็วันเดือนสิบเพนเป็นวันทําบุญฉลากรพัดถวายฉลากรพัดและก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปวงสาคานายาตญาติาาาตมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรในที่พวกเราได้ร่วมกันทําบุญในพรรษา คือเดือนเก้าดับที่ผ่านมาและวันนี้เป็นเดือนสิเพนอีกวันหนึ่งในพรรษาเพราะนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญถือมาตั้งแต่โบราณโบราณกาลคนที่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าหากว่าท่านล่วงลับดับขันไปเพราะว่าการเกิดมานี่ไม่ใช่จะทําแต่คุณงามความดีอย่างเดียวหลวงพ่อเคยพูดทาความชั่วด้วยติดตัวไปด้วย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 เพเมื่อตายไปกรรมชั่วให้ผลพวกเราอาจจะไปเป็นไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปไปเกิดเป็นเปเลดซะก่อนก่อนที่จะได้รับส่นบุญที่พวกเราได้ทำเอาไว้ในเมื่อพวกเราตกไปในทางต่ำเราก็ขึ้นมาผลจากกรรมชั่วผลจากกรรมที่เราทำไปแล้วเราอาจจะมาเป็นวิญญาณที่ร่องลอย ออวันนี้วันเดือนสิบเพนสมัยก่อนเราเป็นมนุษย์นะเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้ทำบุญทำทานกับพระสงฆ์ได้ทำถวายฉลากะพัดออแต่ปีวันนี้คราวนี้ เ, ออเราเออตกทุกข์ได้ยากผ่านมาแล้วผีน้องลูกหลานที่ได้รับมรดกจากเราไปที่เราได้ทำไล่ทำนาทำรัำ้วทสวนทำธรรมมาค้าขายให้แก่ลูกหลานเรานั้น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 ที่จะเป็นคุณงามความดีมากน้อยขอขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราตกทุกข์ระยะกอขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณงามความดีของข้าพเจ้าที่ทํามาตลอดนะด้วยเทินให้คิดในใจไว้อยู่เสมอให้คิดในใจเอาไว้นะอันนี้ก็คือเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกา ร, ระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา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 พวกเราที่อยู่เบื้องหลังพวกเราก็ได้มาทำบุญอย่างวันนี้แหละใส่บาตรทำบุญจยางนั้นก็ถวายพัทหารพระสงฆ์ในสมาทานศีลในวัยพระสวดมนต์ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีพวกเราก็น้อมจิตที่เป็นคุณงามความดีเหล่านี้แหละต่อบรรพชนหรือดวกต่อดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นเพรานนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการสร้างคุณงามความดีพวกเรานั่งอยู่ด้วยการทักทุกคน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 เหมือนความสุขก็จริงอยู่แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยใจจะขาดมันหาความสุขไม่ได้แต่จุดนั้นน่ะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าใจจะขาดกระทุกอีกอย่างเก่าเพราะนั้นอย่ามาเกิดจะดีกว่าจะทํายังไงจึงจะไม่มาเกิด น, นี่แหละขอให้ถึงพระนิพพานด้วยอนุสงค์บุญกุศลที่ทํามากน้อยก็ขอให้ถึงพระนิพพานถ้าได้ปรารถนาสิ่งนั้นได้คนดีที่สุดนะแต่ทําไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปพักผ่อนอยู่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 เมื่อความปรารถนาก็ไม่เหมือนกันอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาในครั้งพุทธยาวนะแต่ท่านเป็นผู้เป็นพระโสดาบันนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลอุปธรรมพระถาพระสงฆ์อยู่ที่วัดบุพพาลามไม่ใช่วัดเชตวารามนะเชตวารามเนี่ยเป็นวัดของอนาถาปิฎกเศรษฐีวัดบุพพาลามเนี่ยเป็นวัดของนางวิสาขาเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยทุนท ร, รัพย์ของนางเองท่านก็เป็นเศรษฐีนะ แต่ให้ท่านกวันพระอย่างนี้น่ะพระพุทธเจ้าประทับแล้วก็อุบาสุกุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสิกาเนี่ยจัดเป็นกลุ่มๆนะเออเป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มคนแก่กลุ่มคนกลางคนกลุ่มเด็กหนุ่มสาวเนี่ยเอามารักษาศีล น, นางวิสาขาเออคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความคิดอย่างไงวะเออพวกแต่ละกลุ่มเนี่ยเราไปถามเลยสิถามความเห็นของเขาสิ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 แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเท่าแก่ชราไอ้เขาถึงยังไงยังไงก็ขอให้พวกผู้ฆ่าทั้งหลายอ น, นิสงทานอ น, นิสงสินขอให้ได้ไปสู่สวรรค์ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเธ อ, เอข้าพรเจ้าปรารธนาสวรรค์ขอให้ไปเกิดสวรรค์นางก็ทราบแล้วก็ไปถามอีกคนกลุ่มนึ่งเองเอไปถามคุณเอ้าไป็นไงพวกเาราปารธนาอะไรพอกโอ้ถึงยังไงยังก็ขอให้ครอบครัว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 เออได้แฟนมีคนมั่งคัง่งแฟนสวยงามแล้วก็เป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนดีแล้วก็ให้ไปอยู่ตระกูลสามีตั้งแต่เป็นสาวสาวไงจะให้เป็นสาวแก่พูดง่ายๆใหอันนี้ก็คือนางวิสาขาได้ยินแล้วก็ออืคนแต่ละกลุ่มนี่ปาถนาไม่เหมือนกันในในแนวความคิด น, นางก็เลยเอาคนกลุ่มนั้นแหละไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็เออใช่แนวความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันคนกลุ่มหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งผูดผ่านความทุกข์ยากมาแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งไอ้คนที่ยังไม่เคยเห็นทุกข์ก็คิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี่แหละอย่างคนสี่กลุ่มนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงก็ตามทุกกลุ่มเนี่ยก็คือพญานายโคลบาล น, นายโคลบาลคือคนเลี้ยงโคลนะเลี้ยงวัวเหมือนกันคนเลี้ยงวัวฝูงใหญ่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 สังสมคุณงามความดีและกับราถนาพระนิพานขอให้ไม่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏะสงสารอันนั่นแหละคือปรารถนาที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านยุส่งเลยปรารถนาอย่ามาเวียนไหวตายเกิดถ้าวามาเวียนไหวตายเกิดกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขก็จริงอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมะระภัยเข้ามาถึงไปนอนที่โรงพยาบาล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 ไม้เขามีไม้ไม้กายยสิทธิ์ของเขาไม้อายสิทธิ์ของเขาเนี่ยมีไม้มากับเคาะหัวหมาปักปักปักปักเขาก็นั่งสักสงบจิตดูสะกดจิตดูง้นแต่กำหนดดูที่ใจดวงวิญญาณหมาตอนนี้มันไ ป, ไปเกิดที่ไหนฮะเขาก็ทายได้จากนั้นก็ก็ทํานายค น, ยนยคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนเอากระโหลกมาเคาะเออฝนในสวดกฎไปทุกแห่งโหนโงกิติศัพท์ของเขาดังไปหมดเลยทีนี้ คนคนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นนามสกุลอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดที่นู่นที่นี่เขาก็บอกบางเพิงเพผยเผยไปเกิดที่ไหนคนวิญญาณโรกที่ไปบอกเขาก็ยังมาบอกให้ฟังอีกต่างหากมันเข้ากันได้คนทั้งหลายก็เป็นที่ยอมรับกันเี่ท่านมีชื่อว่าวังคีสะนะวังคีสะพราหมณ์คนนี้นะแต่เป็นผู้ลูกหลาง อ, อส ง, ง่าพาเผยจิสวยงดงามเป็นคนมีตระกูลเหมือนน คนทั้งหลายก็ยอมรับแต่แตอนนั้นก็ไปทํานายทายทักไปเรื่อยสไอ้คนที่เป็นหัวหน้าก็เหมือนหมอดูนะหมอดูที่ทายแม่นแม่นใช่ไหมก็ต้องมีบริวารอันนี้เป็นธรรมดาฮะไอบริวารก็คล้ายๆกับเป็นสมุนเป็นหน้ามา้าอต่างหากของั้นแะละแต่นี่ก็วังกีสานั่ก็มีสมุนอีกเหมือนกันติดตามเจี่สอยห้อยตามถึงห้าร้อยคนนะติดต่อสอยห้อยตามไปในชนบทไหนก็อา้าวใครอยากจะรู้ว่าวิญ ญาติพี่น้องของใครตายแล้วเกิดที่ไหนเอามาสมัยนะั้นเขาไม่ได้เผานะโดยมากก็ตายแล้วก็ไปทิ้งที่ป่าช้าบังอไปฝังบางลักษณะอย่างนั้นเขาเอากระโหลกต่างคนก็เอากระโหลกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาให้พราม์มีเคราะห์เลยคนละยี่สิบกรหาปะหนะบังห่ากรหาปะหนะบังถุดแท้แต่ใครจะให้นะแต่เป็นอาชีพไปเลยทีนะี้พรามตอนนี้ก็บเคาะไปเรื่อยเอย คนท่าไหลายก็ให้เหือนมาพวกบริวารก็ได้อยู่ได้กินกับการทำนายของพราหมณ์แต่น่้นก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงกรุงสาวัตถีเลยกรุงสาวัตถีคื อ, คอกรุงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะเออแต่ท่นานก็ไปหาที่พักพาอาศัยโยแห่งหนึ่งแจากนั้นก็หนึ่งพราหมณ์ท่านก็ประกาศอะลีวร้อทั้งห ล, ลายหน้ามาา้าอะไรประกาศเออใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดที่ไหนมานะ พระามของเราเนะี่รู้จักมดแต่นี้ก็เห็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถือดอกไม้ทูบเทียนไปเข้าไปป่าวัดป่าเชตตะวันไอ้พวกนั้นก็เห็นเอ้าพวกท่านไปไหนไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมท่านโอ้ยพวกท่านจะไปทไํมาลายนี่มหาพราหมณ์เนี่ยระวังคีสะของเราเนี่ยเหนือกว่าใครทั้งหมดเดียเ๋ยวนี้แต่พวกนั้นก็เอ้ย วังคีสาก็เถอะสู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจงโลกนี่ใครๆก็อวดอวดจัดดาบารมีของอาจารย์ของตนเองใช่ไหมอย่างคนยุคทุกวันนี่ผู้ใดนับสืหลงพ่อเอ็นกว่านหลงพ่อเอ็นเก่งก้มัวผู้นับถือองค์อื่นก็ว่าองค์อื่นเก่งก้มูวผลในสุดลูกซีก็จะตีกันท่านนี่เพราะนั้นในครั้งนั้นก็เหมือนกันนี่แหละอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแต่นี้ก็พราหมณตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่าง ยกว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าเหนือกว่าใครทั้งหมดในโลกนี่แต่พวกเขาถืฏนับถือพราหมณ์คนนั้นวังคีสากาบอกพรามณเลยยอดเยี่ยมที่สุดเคาะกะโหลกใครในรู้ทั้งหมดไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนฮะนี่แหละหัวนั่นโศกเลยพวกพระพุทธเจ้าไม่ฟังไม่ยอมฟังเอแสดงว่าพระพุธสมณะโคดมเนี่ยจะเก่งจริงหรือเปล่าปะเพราะเขาไม่ฟังเลยนี่ย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 พระพุทธองค์ก็คอยรอคอยพอเข้ามาแล้วพระองค์ก็เตรียมสีสาไวไปหกสีสระนะเออสีสระที่ศีสระไปเกิดในรถนรกก็มีศีสระไปเกิดเป็นเปรตก็มีศีสระไปเกิดเป็นเจ็ดทิฏฐิฉันก็มีศีสระมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีศีสระไปเกิดสวรรค์ก็มีศีสระพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานก็มีนะท่านเตรียมเอาไว้ จากนั้นก็พราม์ธ น, นมาพระองค์ก็ถามว่าพราม์วังคีสะเธอทําอะไรพรามก์กงบรรยายให้ฟังข้าพระองค์เป็นผู้รู้จักชีวิตของคนท่านได้เคาะกระโหลกศีรษะแล้วเจริงไหมเจริงพระเจ้าข่าเออเอาถ้าจริงมาเคาะกะโหลกระเซพอเคาะกระโหลปักปั ก, ปกโอ้ วิญญาณนี้ไปตกนรกพระเจ้าข่านะเออใช่ถูกต้อง อ, อดีละถูกต้องถูกต้องเนี่ยนะเพราะพระพยยเจ้าไม่ใช่ปฏิเสธนะอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราถามว่าไสยศาสตร์มีไหมออพวกไสยศาสตร์มีไหมพวกผีมีไหมพวกปอบมีไหมอย่างเนี้ยออคุณบาอาจารย์ท่านไม่ปฏิเสธนะพวกไสยศาสตร์พวกเ อ, อเครื่องรางของขลังอย่างเนี้ยอ อ, อย่างเนี้ยมีไหม คุบาอาจารย์ท่านมันเป็นสี่งมันมีอยู่ในโลกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพระพระดดเจ้าท่านพรามคนนั้นท่านเคาะกะโหลกศีรษะคนนี้ไปตกนรกพระเจ้าข่ามเออใช่ยอมรับเอากะโหลกที่สองให้เคาะอีกโอ้คนนี้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นวิญญาณที่เลื่อนลอยหาจุดหากฎเกณฑ์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังเลื่อนลอยอยู่พุทธองเออใช่ถูกต้องฮะเคาะกะโหลกอีกเ อ, อ, อันนี้ไปเกิดเป็นสัตตีธชฌานนะอ่า ไปเกิดเป็นสัตว์นะตัวเนี้ยคนคนเนี้โนะป่งเออใช่ถูกต้องเอากะโหลกให้อเคาะอกีกเอออันนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะักกะโหลกเนี่ยเออเอา้าวใช่ถูกต้องเคาะไปจนถึงสวรรค์ถึงพรหมจะนักเอากะโหลกพระหรหันให้เคาะปะเนี่ยกะโหลกพระราหันให้เคาะเคาะพักปะปปะเงียบคือไม่รู้จักทางไปทางมาพระราหันในท่านหมดจดจากกิเลสแล้วเดอท่านเข้าสู่อมตะมหานิพพานละ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 เ่ยังขาดวิชานี่อยู่ยังไม่ได้วิชานี่ขอบวชเอ่อก็เลยเอาบวชก็บวชพระองค์ก็เลยให้บวชนะพอให้บวชเสร็จแล้วกับบริวารทั้งห้าร้อยใช่ไหมเอ้ยสูญเจ้าออกไปนอกวัดะก่อนอคอยอยู่นอกวัดเดี๋ยวข่าจะเรียนวิชานี้ก่อนถ้าได้วิชานี่ไปว่ามดมุดกระเดืองเรื่องลือเลยละ่ะเอเรายังกระโหลกเดียวเดียวเนี่หละยังเรายังไม่รู้อยู่เนี่ยเนี่ยจากนั้นบริวารก็ออกไปคอยอยู่นอกวัด ตอนนี้พระวังคีสาท่านก็เรียนวิชาพระพุทธองค์สอนให้ใช่ไหมสอนให้พิจารณาเกสาผมโลมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกแยว่าหลังกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถอดถอนกิเลสในใจพอเรียนก็มาลูกน้องก็มาถามไปไงอาจารย์จบแล้วยังยังยัยังไปไปจะเพิ่งมาใกล้นะ เดี๋ยวเราเรียนยังไม่จบเออแต่สองสามวันก็มาถามอีก ไ, ไปไปไปอย่าพึ่งมาเราเรยังได้ยังไม่จบเอาละใกล้ละเรารู้แนวทางแล้วพอถึงเจ็ดวันท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์พระวังคีสาได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านพวกลูกน้องก็มาถามเป็นไงอาจารย์โอยวิชาของเราที่ผ่านพานมาวิชาหลอกหากินเฉยเฉ เราไม่กลับไปอีกแล้วสูนเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปนะไปหากินที่อื่นซะเราจะบวชแล้วเราจะไม่ศึกแล้วโอ้ถ้าอาจารย์บวชพวกผมก็บวช ด, ด้วยแล้วเออเอาบวชก็บวชมะมาบวชลูกศิษย์ก็เลยมาบวชท่านก็เลยมีบริวารตั้งห้ารอเนี่ยอันนี้แหละคือพระวังขีสะจากนั้นได้สําสเร็จเป็นพระหรันพระพุทธองค์สอนเรื่องกรรมฐานให้นี่แหละในครั้งก่อนในครั้งพุทธการเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ เขาก็มีความศึกษาอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็มีวิธีการที่จะศึกษาในเรื่องนี้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญแต่ทุกคนทีไ่ได้ศึกษาดูแล้วคนเราในตายแล้วเกิดเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นจึงท่านจึงให้สั้งสังสมคุณงามความดีให้สังสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตใจท่านจึงยกเป็นพุทธภาษีว่า ปุญญาณิปลโล ก, กัจมิงปฏิทถาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาเอ่ถ้าว่ามีแต่โลกเดียวเราเกิดมาแล้วตายแล้วก็สู์จะไปทําคุณงามความดีให้โง่ทำใหม่ใช่เอ่แต่มันไม่ไม่ศูญอย่างที่ว่าดิเพราะพระองค์ได้ศึกษาดูแล้วเอ่ถ้าว่าตายแล้วศูญเน่ยเราก็คงจะไม่เห็นผีและไม่มีผีไม่ต้องกลัวปาชานะ้าละเป็นนอนที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าตายและสูญหรือเปล่าเนี่ยจะให้ไปนอนปลาเชา้าไปเลยกลัวผีเลยถ้ามันตายและสูญจะไปกลัวทําไมไงนะเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราคณะสัทยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะวันที้พวกเราได้มาทําบุญกนงน้อมจิตุที่ส่วนกุศลถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะปู่ย่าตายายของเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์ที่ทะชานถ้าไปตกนรกเราก็แล้วไป ถ้าหาว่ามาเกิดเป็นเปรตที่ล่องรอยอยู่พวกเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกท่านเหล่านี้จะได้รับถ้าพวกท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็จบไปสู่สวรรค์ชั้นพรมอาหารสวรรค์ชั้นพรมท่านก็อีกส่วนหนึง่งถ้าว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อาหารของมนุษย์กีกส่วนหนึ่งมาเกิดเป็นสัตว์ทีรักชาญเป็นสัตว์ทีรักชาญส่วนนึงถ้าหาว่าดวงวิญญาณยังเป็นเปรตยังล่องรอยอยู่ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลาย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 นี่ก็เหมือนกันบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไปแล้วทางวัดญาติพี่น้องของเราไม่ได้รับบุญกุศลน่าจะไปถึงไหนก็ต้องกลับมาหาเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้กระทําเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจต่าย ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ศึกษาเอาไว้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดถี่ถ้วนนะถ้าพวกเราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้ในวันนี้กับพวกเรา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 วันแรกเราก็ได้ไปนั่งฟังเราจักได้ไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับเจดีองค์หลวงตาอยู่หนะ้าหลวงตาเนี่ยเป็นพระหันบุญกุศลได้ติดภพติดชาติเรามาเนี่ยมันจะปิดติดภพติดชาติอย่างนั้นนะคณะทา ย, ยาทโยมลูกหลานนะพอหนั้นหลวงพ่อยังบอกว่าเอ๊ะมันพวกยากลําบากยังไม่ได้ไปแล้ว嘛เอาถ้าเราไม่อยากได้บุญก็ไม่ต้องไปถ้าใครอยากจะได้บุญก็ค่อยไปหนะ้าจะไปยากอะไร ถ้าไม่ใครไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ต้องทําบุญไม่ต้องทําทานแตถ้าใครอยากจะได้บุญเอ้าเสียสละเนอะทำทานนอะใครอยากจะใครอยากจะได้บุญเออรักษาศีล น, นะแตถ้าใครไม่อยากจะได้บุญเอาไม่ต้องรักษาก็ได้ศีล น, นะมันจะยากอะไรมีสองทางเทา่านั้นล่ะพวกเราท่านทั้งหลายคณะทัตธาญาติโยมลูกหลานเนอะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะโน้มนาให้พร